วันที่บันทึก 22 ธันวาคม 2531 ที่บอกไว้ก็ผู้จะ การสร้างชอบฟางของนาสุธรรมมาครับความว่าบรรดาผู้ชายอก 3 ศอกที่คิดว่าจะจะ เป็น 33 คนช่วยกันขุดสระน้ําและ คนนี้ไม่ทําเกี่ยวกับศาลามี เมื่อสามีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีดีเราก็ ภรรมีเสียงมีแต่ก็ไม่พูดให้สามีรำคาญพระเยาวราชก็ไป และมีความรู้สึกด้วยถือตนว่าเป็นคนสวย แต่ท่านสุจชาดาคนนี้ไม่ปรารภ รวมความว่าเมื่อท่านท่านสุนันทาท่านเห็นว่าสามีขุดสระน้ํา แต่ก็ยังขาดดีดี 1 แตนั่นคือความอิ่ม แล้วก็ปลูกรักษาอย่างดีตั้งคนตั้งปาก <c oughs> <c oughs> เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ก็ ก็คิดถึงสามีที่บ้านบ้างคิดถึงท่านสุนันทาก็ทราบเหตุนี้เป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าถือว่าทําเป็นทานอะไร เนออลิสงที่นั่นท่านสุทันนันทา <c oughs> ฉะนั้นบรรดาท่านพระพุทธบริษัตรทุกท่าน สำหรับท่านสุนันทานอกจากมี <c oughs> ท่านมาเข้ามาสร้างสรรเป็นเหตุให้ได้สระบุคคณีบนสวรรค์ชั้นดาวถึงสุวิวัโลกของบรรดาเทวดาและนอกจากนั้นสวนสรนันธาที่ปรากฏว่ามีตามที่เทวดาและพรหมทั้งหลายหรือ มีทุกอย่างแล้วก็มีความสวยสดงามเป็นพิเศษส่วนนี้เป็นที่น่ารื่นรมย์ของเทวดาทั้งฟ้าทั้งหมดปรากฏว่าเทวดาและนางฟ้าชอบไปไปบันเทิงมีความสุข บางครั้งท้าวสักกะคือพระอินทร์ได้กลับมา ไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างวิหารการปะเรียนแต่ว่าทําสวนผลไม้ให้บุคคลทั้งหลายได้กินได้บริโภคมีความสุข เป็นอัน ลูกต้นไม้สร้างท่านถิ่นขุดสระทําแล้วแล้ว เขียนชื่อที่ศาลาที่โกฏิที่โบติวิหารบางทีบางวัดถึงกับว่า แต่ว่าอนิสงส์ทุก 33 คนก็ 33 คนมีวิมานคน 33 คนไม่ ผู้ช้างก็ไปเกิดเป็นเทวดามีนามว่าเอราวัณเทพบุตรมีวิมานแถม 1 หลังเหมือนกันไม่ต้องรวม ตมาท่านสุทมมาเองไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าก็ปรากฏว่ามีวิมานอีกเหล่าหลังเจ้าของ ศรัทธาเรามีแล้วเราบริจาคแล้วเราทําแล้วอย่างนี้อานิสงส์ใครว่ายังไง ทั้งทั้งที่ไม่ต้องขออนุญาตที่หาแต่คนเรามาได้ แต่ถ้าว่าถ้าได้ดีแสนดีเท่าที่ Swedish Spoiler was gained such a poor tended to put estimated рублей. Stretching up brayning the hourly rate when occured 눈 dön、Regantris to him and cameraammen to him. Well, she picked up thisFineneahad, picking up Nikita to find her too. But she got lived with her. Thank you. For employees of the poor graduation and getting paid, I need not caring for her. To have success intir, she's coming to create a domino, and we will เมื่อท่านสุจิตรราสร้างสวนดอกไม้ขึ้นเป็น <c oughs> แต่นอกจากนั้น สำหรับนางฟ้าที่บำรุงสวนบรรดาท่าน เป็นที่อยู่ของผู้แต่ผู้อยู่จะทรงศีล <c oughs> การไปซ่อมแซมวัดก็ดีบำรุงที่ว่าร่วมในการสร้างวิหารสถานให้ร่วมกันกุฏิวิหารเป็นที่อยู่มีความสุขสวนดอกไม้ทําอิ่มหนําสําราญมีความสุขเป็น ดอกไม้สร้างความชื่นใจเกิดขึ้นมีความสุขเป็นของเรื่อง <c oughs> คนมีศีลมีธรรมดีมั่งก็พร่องก็แพ่ง ในหมายความว่าถ้าสวนสาธารณะเค้ามีขึ้นเค้าบุญกุศลที่บรรดาแต่ ทำบุญกับศีลสาธารณะหรือที่สาธารณประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเขตสงฆ์แต่ว่ามีโอกาส <c oughs> ก็ฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าเลือกเฉพาะที่สงอย่างเดียวจะทําให้บุญ เพราะว่าตามวัดวาต่างๆก็ไม่แน่นักนานๆจะเก็บปลูกต้นไม้สักทีอาจจะมีหลายๆวัดต้นแล้วไปปลูกก็ของความ <c oughs> พระเสียงมัน <c oughs> 6 นาทีก็ 4 คือนางสุชาดา เราชวนเมียต้องบำรุงผัวให้มีความสุขทั้งด้านกามารมณ์แต่งตัวสวยๆสร้างความให้สุขจิตให้เกิด ความจริงความสวยสดงามของร่างกายนี้ <c oughs> ความเบื่อหน่ายของร่างกายก็ย่อมมีนี่ปรากฏเป็นเหตุอันนี้ก็มังที่หมายเข้ามาลบยังมีความเบื่อหน่ายในสติคือว่าชาติหน้าไม่ต้องการจะครบเมื่อนางสุชาดามีความประมาท นาสุชาดาความสวยช่วยคนไม่ได้ประมาทมากความสวยช่วยคนไม่ได้หลง <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นนางฟ้ากับเขาไปเกิด ไปเกิดเป็นทุกอย่างไปย่องน้ําตกแตกตกแตกๆท่านพระอิงก็ไปทรมานไป แต่น้องแก้วก็มีความสวยสดงามเป็นนกเมื่อหาอาหารไม่ได้ คนนี้สุดก็ตายในฐานะที่เป็นนกภีศิลก็ไปเกิดเป็นลูกสาวในช่างหมอเป็นกาวดีมีคนร่ำรวยใน แต่ว่าอุตส่าห์ในช่าง เอาไปไว้กินไว้ใช้บอกว่าจะได้เป็นสมบัติเลี้ยงตัวต่อในกาลก่อนให้ตั้งใจทําบุญกุศลเพื่อไปเกิดในสวรรค์ทันตวดีงค์ด้วยกัน ตามมาเมื่อเทวดาไปอยู่ใหม่มีบารมีสู้ไม่ได้ก็ลงต่ําลงมาหน่อยในเมื่อไปอยู่ในเขตอสูรก็ไม่สามารถ มาเจออสูรแก่ซึ่งคือผู้หญิงเค้าแล้วใช้ก็ชอบโยนพรมอะไรให้ หมายที่สุดพระอินทธพาสุชาดามา ไม่ต้องอาบน้ำนมขาวตลอด 10 บรรดาแห่งพุทธบริษัทพูด 30 ปีนาทีก็ ขอความสุขสวัสดิ์